คุณทวสวัสดีค่ะท่านฟังที่ครบรัรายการสันนีสนทนนะคะดิฉันสันนินฐาคพงกับห่วงเวลาของการที่เราพัฒนารายการไปอีกนิดหนึ่งก็คือให้โอกาสเราท่านทุกคนรวมถึงดิฉันด้วยนะคะที่จะปฏิบัติธรรมกันตั้งแต่ตอนต้นของรายการจะได้เป็นการสะสมกุศลเป็นการสร้างความคุ้นเคยเสริมความก้าวหน้าในการปฏิบัติ แล้วก็จะทําให้เราได้ฟังธรรมกันอย่างมีสมาธิต่อไปจนกระทั่งได้ประโยชน์จากธรรมนั้นอย่างเต็มที่ในแต่ละวันด้วยตอนนี้ไปกราบมรสการพบกับพระพัยบุ์อภิปุลโนกันเลยค่ะมรสการค่ะเจริพานวันนี้ก็จะนํากันเทศที่พระพุทธเจ้าได้เทศให้ภิกษุพันธรูปในหนึ่รูปที่ไปแสดงโอวาทปฏิโมกในวันมาคา บ, บูชาคือภิกษุเหล่านั้นเนี่ยเป็นพวกชลิน พระพุทธเจ้าได้เทศให้กับพวกชลินเหล่านี้ฟังเป็นจํานวน1000รูปพวกชลินเหล่านั้นตอนนั้นก็นั่งสมาธิเหมือนกันนี้เราก็ได้ตรัตธรรมเทศนาที่ชื่อว่าอธิตตะปริยายาสสุได้ต่ักับพวกชลินอย่างนี้ว่าภิกษุทั้งหลายสิ่งทั้งปวงเป็นของร้อนก็อะไรเล่าชื่อว่าสิ่งทั้งปวงเป็นของร้อนคือตา เป็นของร้อนรูปทั้งหลายเป็นของร้อนความรู้แจ้งทางตาเป็นของร้อนพัทธะที่เกิดทางตาเป็นของร้อนความรู้สึกที่เป็นสุขตามเป็นทุกข์ตามไม่ใช่ทุกไม่ใช่สุขตามได้เกิดขึ้นเพราะสัมผัสทางตาเป็นเหตุก็เป็นของร้อนหูเป็นของร้อนเสียง เป็นของร้อนจมูกลิ้นกายและใจล้วนเป็นของร้อนร้อนเพราะอะไรเล่าเรากล่าวว่าร้อนเพราะไฟคือราคะร้อนเพราะไฟคือโทสะร้อนเพราะไฟคือโมหะร้อนเพราะความเกิดความแก่ความตายร้อนเพราะความโศกความร่ำไ ร, รํำพัน ความทุกกายความทุกใจและความคับแคนใจทั้งหลายเธอผููที่ได้สะดับฟังแล้วเห็นอยู่อย่างนี้ย่อมเบือ่อนายแม้ในตาเบือ่อนายแม้ในเสียงกลิ่นรสผธพระและธรรมารมเมื่อเบือ่อนายย่อมคลายกำหนัดเพราะความคลายกำหนัดย่อมหลุดพน้น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 ราไม่ยึดมั่นตื่นมันดังนี้อันนี้คืออธิตตาปรยัยสูตรฉบับค่ะอธิตตาปริยัยสูต ร, นน ต, รตรัสกับพระภิกษุที่เป็นเอหิภิกขุใช่ไหมคะใช่พระพุทธเจ้าบวชให้ใแต่ว่าแค่พันรูปพรูปเลขสองรปเป็นไหนล้วคะท่านคะยังไม่บวชนี่เป็นเรื่องอราวที่ที่ธรรมาต้องการจะมาเล่าในช่วงก่อนมันมารคาบูชาะนะที่ว่าไอ้พันสอรรูปเนี่ยมาจากไหนแล้วก่อนที่จะ ถึงก่อนถึงมันมาคาบูชาเนี่ยมีเหตุการณ์ที่สําคัญสำคัญตรงไหนบ้างอ๋อถ้างั้นในมนท่านเลยค่ะไม่ใช่พระพรก็ตั้งแต่ตอนที่พระเจ้าตรัสรู้เสร็จละใช่ไหมตรัสรูุ้เสร็จปุ๊บก็ไปแสดงธรรมาจักกับปวตนาสูดใช่ไหมตรงนี้คือที่เ ม, มืองพราร์นัสสีแวลงเมืองพาร์นสีใกล้ๆตรงนั้นก็หลังจากนั้นมีเวลาอีกตอนนั้นเป็นเดือน8ปดเสร็จแล้วก็เดือนแปดไปเดือนเก้าสิบสิบเอดสิบสอง 12ึ่งสองนับมิวลา6เดือนในช่วง6เดือนนั้นเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นบ้างพรนะพุทธเจ้าก็ได้ไปเทศให้ยสักกุลบุตรฟังสาหัสของยศสักกุลบุตรฟังอะไรต่างๆเสร็จแล้วตอนนั้นมีพอมีพระอาหารหันต์ประมาณ60รูปนะับหรูปพดีเรนะก็ได้บอกกับเราพระอาหารหันต์เหล่านั้นบอกว่ า, าเธอจงไปนะเรื่องนี้เราฟังกันบ่อยๆที่ว่าอย่าไปทางเดียวกัน2รูปนะจงแสดงธรรมให้งดงามในเบื้องต้นทาากที่สุด สัตวนะ์ที่มีทุลีในดวงตาแต่น้อยจะได้หเห็นธรรมาได้ตรงนี้ก็จึงบอกว่าแม้เราเองก็จะไปสู่อุรุเวลาเซนานิคมเพื่อแสดงธรรมตรงนี้ก็จึงเสดพระเจ้าก็เสด็จกลับมาที่ตรงแถวๆที่ตรัสรู้นั่นเองนะในระหว่างทางกลับมาก็ได้พบกับพวกชลินพวกนี้นะจึงเป็นต้นเหตุของอธิต่์ปริยัยสูตรงนี้นั่นเองนะพวกชลินเนี่ยเขามีคือเป็นพวกฤๅษีอะไงั้นันเถอะ เป็นรือสีที่บูชาไฟนแล้วก็อาศัยอยู่ตามริมน้ำนพวกนี้ก็มีพี่น้องกันอยู่3คนนะคือมายว่าเป็นหัวหน้านะแต่แต่ละคนก็มีบริวาร500บ้าง 200-300 บ้างรวมกันหมดเนี่ยหนึ่คนรวมน 1, คน1น0 0คนในตอนที่พระพุทธเจ้าไปหาไปเจอพวกชรินครั้งแรกเนี่ยก็ไม่ได้มีภิกษุ ต, ตามพระพุทธเจ้าไปเลยนะตอนนั้นมีพระอาหารหัเกิดขึ้น61องแล้วนะรวมพระพุทธเจ้าด้วย แตพระพุทธเจ้าสั่งว่าไปคนละทิศละทางอย่าไปทางเดียวกันตัวพระองค์เองก็เดินไปรูปเดียวไปองค์เดียวไป <Okay. S 1> ก็ไปถึงอุรุเวลาก็เจอพวกชลินพวกนี้เจอคนพี่ก่อนก็ได้แสดงฤทธิ์ให้ดูหลายอย่างาไม่ว่าจะเป็นการปราบพญานาคเป็นการเดินอากาศเดินบนน้ําอะไรต่างๆจนกระทั่งอิตาชลินคนพี่เนี่ยเขมีความคิดว่าอย่างนี้ว่าโอ้สมณะคนนี้เก่งมากมีอนุภาพมาก แต่คงไม่เป็นพระอาหารหันต์เหมือนเราว่าอย่างนี้คือคือชรินคนพี่เนี่ยชื่อว่าอากศปาเนี่ยน ะ, ะเขาก็คิดว่าตัวเองเป็นพระอาหารหันต์ก็เลยคิดว่าเออพระองค์นี้ก็คงจะเก่งอยู่แต่คงไม่เป็นพระอาหารหันต์เหมือนเรานะพระพุทธเจ้าแสดงฤทธิ์ให้ดูยังไงก็คิดอย่างงี้คิดอย่างนี้พรนะพุทธเจ้าก็เลยจะต้องการปราบทิฏฐิของคนนี้นะด้วยการที่จะเทศสอนบอกสอนอะไรต่างๆทีนี้พอชรินยอมละชรินคนพี่ยอมแล้วก็บวช ในะบวชแล้วนะน้องอีก2กลุ่มนะที่รวมเป็นพิกษุพันธ์รูปเนี่ยก็บวช ด, ด้วยนะตามบวช ด, ด้วยทีนี้พวกพี่น้องของเขานะสามกลุ่มเนี่ยก็บวชกันหมดเลยนะบวชจนตอนนั้นบวชเนี่ยเพราะว่าคิดว่าเออจริงพระพุทธเจ้านี่มีฤทธิ์มากและตัวเราเองก็ยังไม่เป็นพระอรันก็เลยต้องการจะศึกษาความที่จะเป็นพระอรันก็เลยมาขอบวชนะคือตอนบวชเนี่ยยังไม่ได้สำเร็จนะยังไม่ได้สำเร็จ แล้วก็ยังไม่ได้แสดงอธิตตาปริยยสูตรนะแต่ว่าพระเจ้าใช้ฤทธิในะ์ในการที่จะแสดงปาฏิหาริย์ต่างๆเพื่อที่จะให้เราชลินพวกนี้ยอมนะยอมที่จะมาฟังธรรมของพระองค์มีศรัทธาก่อนนะปลูกศรัทธาโดยใช้อิทธิฤทธิ์ตรงนี้ที น, นี้พอปลูกศรัทธาอิทธิฤทธิ์เรียบร้อยแล้วบวชเรียบร้อยแล้วก็เลยจะแสดงทําให้ฟังแบบผู้ชลินก็นั่งอย่างนี้แหละนั่งสมาธิไปแล้วก็ฟังเทศบุรุษเจาไปด้วย โดยพูดถึงเรื่องของอธิตตปริยัยิสูตรที่เรามาเล่ามาตอนต้นรายการประมาณสัก2อสานาทีเนี่ยย่อมานะคุณยมถิวย่อมาจริงๆพระสูตรนี้มาถึตอนปฏิบัติธรรมนั้นใช่ใชใช่ย่อมาเท่านั้นเองนะพระรเจ้าเทวดยาวนะพอจบพระสูตรนี้ปุ๊บนะพิสุพัน์รูปนั้นก็บรรลุเป็นพระอรหันต์อะ่รเนี้ยค่ะแต่นี่ฮะน่าสนใจมากเนื้อหาน่าสนใจมากที่พูดถึงว่าตาหูจมูกลิ้นกายใจเป็นของร้อนนะร้อนเพราะว่า มันเป็นจุดที่ให้เกิดราคาโทรศัโมหาได้นีตรงนี้มันมันเป็นช่วงรอยต่อนะคุณยำเติ๋วเช่นตอนที่รูปมันจะมาต่อกับตาเนี่ยมันจะผ่านมารูปมันจะมาต่อกับใจเนี่ยมันจะผ่านทางตาไอ้ตรงรอยต่อนี่มันสําคัญแล้วเมื่อเราแชะหินเข้าด้วยกันอย่างเงี้ยเสียดสีกันมีการต่อกันปุ๊บไฟมันเกิดขึ้นแล้วก็พวกเชรินพวกเนี้ยเขามีการบูชาไฟมาเป็นโอ้ เป็นเป็นประเพณีของเขาเลยเพราะฉะนั้นพอพูดถึงเรื่องไฟไฟเรื่องความร้อนเรื่องการจุดไฟติดดับอะไรต่าง ๆ, ๆเนี่ยทำให้เขาเก็ตเรื่องนี้ชลิน1000รูปเนี่ยมีความเข้าใจในเรื่องของร้อนเรื่องความร้อนเรื่องอะไรต่างๆเหล่านี้ตอนนี้พอพระเาแสดงให้เห็นถึงความลึกซึ้งของไฟความลึกซึ้งของความร้อนเนี่ยโดยการเปรียบเทียบเรื่องของราคะโทสะโมห ะ, ะว่ามันคือไฟทําไมราคะโทสะโมหะถึงเป็นไฟ นะนี้พระเจ้าอธิบายในในเรื่องอื่นนะเพราะว่ามันมันทำให้จิตใจของเราไหมนะแล้วเป็นไฟที่อันตรายกว่าเปลวไฟที่เราเห็นด้วยนะคุณโยมดิเพราะว่ามันมันไม่มีเปลวแต่ยกตัวอย่างเช่นไฟที่ลุกบึ้มๆอย่างเงี้ยถ้าเราเห็นเปลว เ, เนี่ยเรายังหลีกเลี่ยงอันตรายจากมันได้ใช่ไหมค่ะแต่ถ้าไปเปรียบเทียบกับความร้อนของเตารีดนเตารีดอันมาเด็กๆเคยโดนโดนเตารีดหน้าบ เพราะเราเดินไม่ระวังแขนเราก็ไปสะกิดเตารีดที่มันตั้งอยู่บนที่ที่รีดผ้าแล้วก็ไม่รู้ว่ามันร้อนหรือมันไม่ร้อนนะอุพองเลยเพราะเราไม่สังเกตเห็นเพราะว่ามันไม่มีเปลวแต่มันร้อน <Okay. S 1> เพราะนั้นไอ้ฐานเพลิงฐานที่มันไม่มีเปลวแต่ระอุแดงแเนี่ยมีอันตรายกว่าอาจารู้ชาเคยเปรียบเทียบอย่างนี้ <Okay. S 1> แล้วก็ถ้ายิ่งอันตรายขึ้นไปอีกนะคือไม่เห็นเปลวไม่เห็นควัน ไม่เห็นอะไรแดงๆด้วยแต่ไหมอยู่ตลอดเวลาไหมอยู่ตลอดเวลาอันนี้คือราคะโทสะโมหะที่มันเผาผลาญทำลายจิตใจของเราอยู่ตลอดเวลาแต่เราไม่รู้ด้วยว่ามันกำลังไหมอยู่อยู่อยู่กลายเป็นขี้เท้าไปแล้วนี่แ่มันจึงอันตรายเพราะตรงนี้ค่ ะ, อะพอเขาพอภิกษุพันรูปนั้นมีความเข้าใจในเรื่องนี้ก็บรรลุปเป็นพระอรหันต์ละนะตอนนี้ก็มีมีสาวกพันรูปละ่ะอีกสอมาจากไหน อีก250ก็คือพระพุทธเจ้านะพร้อมกับเหล่าชลินเนี่ยก็เดินทางจากอุรุเวลานี่แหละที่อุรุเวลาริมแม่น้ําเนรอญชราตรงนั้นก็เดินทางกลับไปที่ไปที่เมืองราชกฤนตไปที่เมืองราชกฤตซึ่งที่เมืองราชกฤตนี้ก็มีส <kidnapped> ํา <stories> น <250. S 2> ักของสัญชัยปริพาช ok ซึ่งเป็นอาจารย์ของท่านพระสารีบุตรกับพระมหาโมคะณะเดิมทีนี้250รูปนี่แหละ ก็เป็นบริวารของพระสารีบุตรกับพระมหาโมคละณนะนะซึ่งเป็นลูกศิษย์ของสันชัยผู้นี้ก็พอเจอพรุทธเจ้านะัคือตอนแรกท่านพระสารีบุตรเนี่ยเป็นพริพาโชคอยู่ใช่มหมยังไม่ได้บวชเนี่ยก็ได้ฟังธรรมจากท่านพระอัสชนะิพอมีความเข้าใจในเรื่องถึงเหตุผลธรรมะรอะไรต่างๆก็บรรลุเป็นสวสดิบัลละก็เลยชักชวนท่านพระมหาโมคละณนะนะไปเพื่อที่จะมาหาพระพุทธเจ้า แล้วก็ตอนที่ไปเนี่ยก็ชักชวนบริวารด้วยทั้งหมด250คนนะไปกันนะไปเจอพระเจ้าก็ได้ฟังธรรมะนะตอนนั้นก็เป็นเวลาอีก15วันนะกว่าที่ท่านพร ะ, พระสารีบุตรจะบรรลุเป็นพระอรหันต์ส่วนท่านพระหมหาโมคลานั้นก็ใช้เวลา7วันในการบรรลุธรรมเราพวกบริวารอีก248คนเนี่ยบรรลุไม่กี่วันในสองสาวันหรือวันนึงนี่แหละก็บรรลุเป็นพระอรหันต์ ถัดมาอีก7วันก็เป็นคิวของท่านพระหมาโมคลานะถัดมาอีกเป็น15วันก็เป็นคิวของท่านพระสารีบุตรเป็นลําดับตา น, นี้นะแล้วก็มาจอดถึงวันมาคาบูชาพอดีก็ได้สาวกครบ1250รูป<อ>แต่แต่ว่ายังมีอีก60รูปนะที่ไม่ได้อยู่ที่นั่นไปนไหนไม่รู้ละตอนนี้แยกย้ายกันไปค่ะก็เท่ากับว่า ท่านเปื่อบุญเราอยากจะให้เรารู้ประวัติก่อนที่จะถึงวันมาค้บูชาชโดยเฉพาะการก่อดรูปอของคณะสงฆ์ขนาดใหญ่ในระลอกที่สองหลังจากระลอกแรกนี่คือหกสิบรู ป, รป<ช>ที่ให้ไปคนละทิศไปรูปเดียวรวมถึงพระองค์ด้วยแล้วก็ไปสอนใช่ไหมคะใช่พอพันรูปแรกนี่เท่ากับว่าเหมือนกับไปทำให้สำนักสำนักหนึ่งหรือสองสำนักที่ได้มาพันรูปแรกศรั<อ>ทธา สสำนักน<ว>ด้วยกันใช่สามสำนักเป็นพี่น้องกันค่ะสามสำนักแล้วพอมาอีกสองร้อยห้าสิบนี่ก็อีกหนึ่งสำนักใหญ่ใช่นะคะโอยสแสดงว่าพระพุทธองค์นี่ไม่ได้บวชให้ทีละรูปสิคะคือเหมือนกับว่าคงจะบวชให้พร้อมกันหรืเปล่าคะสมัยก่อนอจงังหวะการบวชนี่ก็จะมีในในชุดที่สองพันพันรูปเนี่ยบวชอยู่สามมาระวาระแรกก็ห้าร้อย วาระที่สองก็สามร้อยวาระที่สามนี่ก็อีกสองร้อยวมเป็นพันหนึ่งนะแล้วก็สองรอยห้าสิบนี่บวกพร้อมกันนะเป็นสี่วาระด้วยกันก็ต้องถือว่าเป็นพุทธาที่สำคัญมากนะครับเพราะทำให้ท่านเหมือนกับมีกองทัพในการนีไปเผยแผ่พระพุทธศาสนา ใ, ให้กว้างขวางมากยิ่งขึ้นใช่แล้วในในช่วงนั้นเนี่ยก็มีพระสูตรสำคัญสำคัญนะเช่นอธิตาปริ ย, ยสูตรนี้เป็นต้นนะแล้วก็ก่อนหน้านั้นก็ มีอนัตตลักษณะสูตรธาากกรรมจักรปปัตตนสูตรพวกนี้ทีเราได้เคยพูดกันไปแล้วในช่วงนู้นแล้วก็พอเราสาวก1250รูปเนี่ยตอนนั้นก็อยู่ที่เมืองราชคฤึดนี่แหละก็ยังไม่ได้มีมีการประชุมมีการอะไรกันนะช่วงนั้นก็พระเจ้าพิมพิสารก็ได้พอมีสาวกมากขึ้นเป็นพันรูปเป็นหลายรูปเนี่ยก็ได้มีการอุปธมัมอุปทาอะไรต่างแล้วก็จึงมีวาระที่เรียกว่า ขออนุญาตให้มีวันอุโบสถนะมีมีวันพระนั่นเองนะจึงเป็นต้นกําเนิดของวันพระด้วยที่เมืองราชกฤะตัวนี้ค่ะเหตุผลที่ให้มีวันอุโบสถ <c oughs> คืออะไรคะเพราะว่าตอนนั้นพระเจ้าปิ่นพิสารเนี่ยสังเกตเห็นพวกเรานักบวชในรัฐที่อื่นๆเนี่ย <c oughs> เขามีการรวมตัวกันทุกๆวันอุโบสถทุกๆเจ็วันทุกๆกึ่งเดือนอะไรอย่างนี้แล้วก็เลย <c oughs> ทําไมมาถามพระเจ้าว่า อ, อยากจะมีบ้างได้ไหมนะพระเจ้าก็เลยอนุญาตให้มีได้ ตอนที่มีได้เนี่ยพันรูปพันกว่ารูปเนี่ยมารวมกันก็ไม่ได้พูดอะไรทุกคนก็นั่งนิ่งกันใช่ไหมชาวบ้านก็เลยเอ๊ะทำไมนั่งนิ่งกันก็เลยไปบอกพระเจ้าพระชจ้าก็เลยอนุญาตให้มีการแสดงธรรมมาขึ้นก็จึงเป็นประเพณีมากันจนบัเนี้ถึงวันธรรมสาวนณะนั่นเองวันฟังธรรมอ๋อค่ะคือตอนแรกขอรวมเฉยๆก็ให้มารวมกันแล้วเวลาพระสมัยก่อนถ้ายังไม่อนุญาตให้มีกิจกรรมก็จะมารวมกันนั่งเฉยๆอย่างนั้นเหรอคะ ก็คือตอนนั้นเนี่ยบทบัญญัติอะไรต่างๆเนี่ยยังยังไม่ได้บัญญัติขึ้นมาเลยนะศีลปาติโมกอะไรต่างๆก็มีบัญญัติน้อยมากธรรมะพระเจ้ า, า, าก็แสดงไว้พอสมควรแต่แต่ไม่ได้อะไรคือคือพระเหล่านั้นเนี่ยรู้ในใจแล้วว่าแหมธรรมะมันดีจริงๆแม่แต่จะบอกสอนยังไงพูดอะไรล่ะก็จึงจึงเป็นที่มาว่าถ้าอย่างนั้นไอโอวาทปาติโมกเนี่ยเดีย๋ยวเรากำลังจะพูดกันในวันพรุ่งนี้เป็นเหมือนกับว่าเอ่อเฟรมเวิร์กเลยว่าจากเนี้ย พวกเราพิกษุ 2,550 รูปบวก60รูปเนี้ยควรจะไปบอกสอนเขาอะไรยังไงมีหลักเกณฑ์อย่างไรนั่นเองอ๋อค่ะดงนั้นวันนี้ในส่วนที่ท่านเล่าเนี่ยก็เหมือนกับเพื่อเตรียมไปสู่วันพรุ่งนี้ใช่ให้รู้ก่อนว่าที่มาของ1 250รูปที่เราท่องกันอยู่ตอนเป็นนักเรียนมาประชุมร่วมกันก่อนฟังทำบทใหญ่เนี่ยงายอย่างนี้ดิฉันสงสัยอยู่อย่าง น, นะนบาสงสัยว่าข้อที่หนึ่งคนสมัยโน้นนี่ เขาแสวงหาธรรมะชั้นสูงหรือว่าการหลุดพ้นหรือการเป็นอริยะบุคคลกันทั้งนั้นเลยหรอคะก็จะมีส่วนที่เป็นนะคือส่วนที่ยังหลงไหลเพลิดเพลินก็มีใช่ไหมทาหน้าที่เลี้ยงลูกเลี้ยงมีก็มีส่วนที่มีการศึกษาเป็นเรื่องเป็นราวต้องการหลุดพ้นก็มีอีกอย่างที่สงสัยก็คือฟังดูเหมือนว่าบรรลุทํากันง่ายๆเพราะว่าพวกสาวกชุดแรกๆเนี่ยจะมาบอกได้เลยว่าเป็นผู้ที่มี บุญบารมีสร้างสมด้วยกันมา น, นะครับพระชุเจานะแล้วก็พอมีความศรัทธามันมีอยู่แล้วอะ่ะจากบุญบารมีที่สร้างสมกันมาฟังปุ๊บเดียวมันเก็ตทันทีแล้วมันเข้าใจกันได้แต่ดิฉันก็พอจะรู้สึกว่าท่านทั้งหลายเหล่าเนี้ไม่ใช่เพิ่งมาศึกษาปฏิบัติแต่ได้ศึกษาบางอย่างในเรื่องเกี่ยวกับจิตของตัวเองมาก่อนหน้านี้พ อ, อสมควรแล้วถูกต้องมีความรู้พื้นฐานที่แน่นมากพูดไง่ายๆคือมีอินซีแก่กล้าแล้วจึงบรรลุได้เร็วนั่นเองเรียนผัดนะคะ และในช่วงเวลาที่เหลือนี้ท่านมีอะไรจะสรุปสําหรับวันนี้ให้กับท่านฟังไหมคะก็คือว่าหลังจากที่มีสาวก 1,250 รูปแล้วสาวกเหล่านี้เป็นพระอาหารหันต์หมดเลยนะเป็นพระอาหารหันต์หมดเลยบรรลุหมดเรียบร้อยแล้วทุกองค์ทุกรูปจิตดีมากแล้วก็พร้อมที่จะไปประกาศศาสนาได้ในนีน้เดนบนค่ะนั้นวันนี้กองทัพ พ, พร้อมแล้ว 1,250 รูปพรุ่งนี้จะไปสู่เต็มรูปแบบของวันมาคบูชา ในครั้งพุทธการซึ่งท่านเพริบุญจะนําออกมาบอกเล่าให้กับพวกเราได้ฟังเป็นการเปิดธรรมที่ถูกปิดก็กราบนมสักการขอบพระคุณท่านเพริบุญไว้แต่เพียงเท่านี้ น, นะคะเพียงเานนมสักการค่ะท่านฟังที่ครบค่ะและใครถ้าหากว่าเพิ่งมาฟังตอนท้า ย, า ย, ายรายการดีฉันบอกว่าท่านคงจะต้องไปฟังตั้งแต่ตอนต้นเลยให้ได้ทุกวันจะได้เป็นการที่ได้โอกาสพิเศษที่ตอนหัวรายการเราจะมีการ นำปฏิบัติธรรมโดยท่านเพรื่์ซึ่งปกติแล้วทุกคนจะต้องเดินทางไปหาท่านนะคะที่วัดป่าดอนหายโศกจังหวั ด, ดอุดรธานีไปกันไกลๆเดินละครั้งเนะะี่ยค่ะแต่นี่จะเป็นการนำเอาบทเรียนที่นั่นวันละนิดวันละหน่อยได้ประโยชน์แน่นอนสำหรับผู้ที่ฝึกปฏิบัตินะคะได้กุศลเลยทันทีได้สะสมที่จะพัฒนาความก้าวหน้าขึ้นไปเรื่อยๆ ตามความมากขึ้นของการฝึกปฏิบัติของท่านทั้งหลายนะคะแล้วเราก็มาพบกันใหม่กันในวันพรุ่งนี้พร้อมกับฟังเรื่องราวของมาคบูชาพระพุทธการจากพุทธวจนะต่างๆอย่างเต็มรูปแบบค่ะวันนี้พุทธวัสดีค่ะ